นะโมตัสสะพุทโตอรหัตโสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพวทโตอรหัตโธสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพุโตอรหัตโสัมมาสัมพุทธะปัญญา ปริสุชติิติอิมัตสะธรรมะปริยายัาสะอโทสาทายะสมันเตหิส ก, ก จ, จังธรรมโมโซตปโธติณ บ, บัดนี้อาตมาจะได้สแสดง ธ, ธรรมีคาถาธัรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้เป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาท่านทั้งหลายที่ได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเสียสละเวลามาบำเพ็ญกรณียกิจคือกิจที่สมควรแก่พุทธบริสัทธ์จะพึงกระทำ <c oughs> พุทธมริษัทจะพึงกระทำนั้นก็มีอยู่สามประการคือการให้ทานหนึ่งการรักษาศีลหนึ่งและการภาวนาหนึ่งสามประการนี้เป็นส่วนแห่งความย่อส่วนที่ว่าจะพิสดาร น, นั้นเราท่านทั้งหลายก็จะพึงทราบ ทราบด้วยตนเองว่าการบริจาคทานนั้นจะกระทําอย่างไรการรักษาศีล น, นั้นจะกระทําอย่างไรการบำเพ็ญภาวนานั้นจะกระทําอย่างไรนี่เป็นส่วนที่ท่านทั้งหลายจะได้พึงพิจารณาด้วยสติและด้วยปัญญาการให้ทานก็ต้องประกอบด้วยปัญญา การรักษาศีลก็ต้องประกอบด้วยปัญญาการภาวนาก็ต้องประกอบด้วยปัญญาพระปัญญาเท่านั yeah ้นที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จถ้าเราให้ทานด้วยการไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ผลรักษาศีลด้วยการไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ผลภาวนาด้วยการไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ผล เพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเหมือนกันกับเราจะเดินทางไปในที่มืดถ้าเราไม่มีแสงประทีพส่องหนทางแล้วเราก็จะเดินไปไม่ได้เมื่อมีแสงประทีพส่องหนทางเราก็สามารถที่จะเดินไปในทางที่ถูกได้สิ่งที่เราทำนั้น แม้จะเป็นของดีแต่เราจะต้องใช้ความเข้าใจหรือความพิจารณาความเข้าใจของตนเองพระพุทธองค์นั้นทรงตรัสว่าการที่จะเชื่อสิ่งใดลงไปนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนเชื่อถ้าหากว่าเรา ใครมีใครมาพูดหรือมีใครอธิบายแล้วเราก็เชื่อไปเลยก็เท่ากับว่าเราได้งมงายไปแล้วแต่เราต้องนํามาพิจารณาด้วยเหตุผลว่าการที่เขาพูดออกมาก็ดีการที่เราได้ปฏิบัติตามไปก็ดีสิ่งเหล่านี้ ย่อมจะต้องทำให้เกิดคือทำให้เกิดความถูกต้องความถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญจึงเรียกว่าสัมมาสัมมาแปลว่าการถูกต้องมิจฉาแปลว่าความผิดถ้าเราพากันทำความถูกต้องให้เกิดขึ้นแล้ว ชีวิตของเรานี้ก็จะมีคุณค่าหรือได้รับผลได้รับคุณค่าเก็บไว้ที่ใจของเราอย่างเต็มที่ร่างกายของเรานั้นเราจะไป เ, เข้าใจว่ามันจะอยู่ตลอดไปนั้นย่อมไม่ได้มันจะต้องมีการเสียชีวิตหมายความว่าตาย ไม่วันใดก็วันหนึ่งนั่นคือหนทางสุดท้ายส่วนใจของเรานั้นไม่มีวันตายไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆไม่มีใครสามารถที่จะมาทำลายจิตใจของเราได้ใจนี้จึงถือว่าเป็นอมตะหรือเรียกว่าอามตะธรรมเพราะฉะนั้น การที่เราปฏิบัติการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เราทำให้ใจของเราทั้งนั้นเพื่อที่จะให้ตัวของเรานี้ไปบังเกิดในที่มีความสุขสบายความสุขสบายที่จะเกิดขึ้นมาจากบุญนั้นเป็นสิ่ง มีความสุขโภมบายที่เหนือเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเพราะฉะนั้นนักปราชญ์หรือผู้จิตฉลาดทั้งหลายจึงได้ขวัญขวายแต่สิ่งที่ดีหรือเรียกว่าขวนขวายแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบาปเรียกว่าเป็นบาปอากุศลนั้น เป็นส่วนที่ <c oughs> ทําให้เกิดความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นชาติหน้าก็จะต้องก่อความทุกข์ให้แก่เราแน่นอนเรีย ก, กว่าแน่ที่สุดความชั่วต่างๆเหล่านั้นคืออะไรความชั่วต่างๆเหล่านั้น คือจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสอาศัยกิเลสเป็นเครื่องปวบคุมจิตใจของเราแล้วเราก็เลยมองไม่เห็นว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องเดินไปในทางที่ผิดแน่นอนก็คือว่าถ้าหากว่าเรา ไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็เลยเดินไปทางผิดเมื่อเราเดินไปในทางผิดที่เรียกว่าความแฉชั่วต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ก่อควรความทุกข์ตัดทรนชีวิตตัดทรทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เราไม่ต้องการปรารถนามันก็จะเกิดขึ้นกับเรา นั่นคื อ, อสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปหรือเรียกว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้ที่มีความเข้าใจหรือเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทจึงแสวงหาแต่ความถูกต้องจึงแสวงหาด้วยความอดทน สแสวงหาด้วยความตั้งใจมั่นสแสวงหาด้วยความภาคเพียรพยายามไม่ว่าจะเป็นความเดือดความทุกข์หรือความลำบากจะมีความลำบากสักเพียงแค่ไหนก็ตั้งใจที่จะพยายามกระทาความดีให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ไกลสักแค่ไหน ก็ตั้งใจที่จะทำความดีให้ได้พระเหตุก็คือต้องการที่่จะให้ความถูกต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราท่านทั้งหลายถ้าเราจะฟังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก็ยังพอที่จะเป็นอุทาหรณ์ว่า ถ้าใครเอาปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดนั่นได้รับผลอย่างไรในสมัยหนึ่งนั้นยังมีประเทศประเทศหนึ่งก็เกิดความแห้งแรงขึ้นเมื่อเกิดความแห้งแรงแล้วพวกปลาปูต่างๆก็มีความลำบากยากเย็น ไม่รู้จะไปพึ่งน้ำที่ไหนก็เที่ยวซุกซ่อนไปในที่ต่างๆอยู่มาวันหนึ่งมีนกตัวหนึ่งนกใหญ่กระยินกกระสามาถึงก็มาบอกพวกปูปลาต่างๆว่าพวกเธอทั้งหลายใครอยากที่จะไปสะที่มีน้ำชุ่มเย็นเย็นสบายบ้าง พวกปลาเห็นนกกระสาก็พากันกลัวเนึกว่านกกระสาต้องกินเราแน่แต่ว่าก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่านกกระสานี้คงจะไม่ทำร้ายพวกเราในขั้นแรกจึงให้ปลาหมอเพราะว่าปลาหมอมันทนให้นกกระสานี้ พาปลาหมอไปดูส ะ, สะก่อนว่าสะนั่นเย็นสบายจริงหรือไม่ในที่สุดนกกสาก็เลยคาบ ป, ปลาหมอตัวนั้นไปแล้วก็เอาไปไหว้ที่สะอนโนดาตเย็นสบายเสร็จแล้วก็นกกสาก็นำปลาหมอนั้นกลับมาที่หนองตามเดิม แล้วปลาหมอก็ได้บอกแก่พวกปลาทั้งหลายว่าโอ้โหสะที่นน่นเย็นสบายดีพวกเราพากันไปเถอะว่าแล้วก็เลยวหายมาหานกกสาให้นกกสาจับไปทีละตัวละตัวแต่นกกสามาจับคราวนี้นกกสาไม่จับ ปลาพวกนี้ไปที่สาอนโนดาาจะแล้วจับไปที่ค่าคบไม้แห่งหนึ่งแล้วก็กินในที่สุดนกกรสาก็กินปลาหมดสระก็ยังเหลือแต่ปูทีนี้นกกรสาก็ยังไม่ก็ยังหิวอยู่ตามเดิมจึงได้ไปพูดกับปูบอกว่า ปูแกจะไปก็เข้าใหม่ปูก็บอกว่าไปแต่แต่ปูมีความฉลาดคือฉลาดกว่าปลาจึงได้บอกแกนกตสาว่าในการที่ฉันไปนี่ท่านไม่ต้องไปคาบตัวฉันให้ลำบากให้ฉันเอาก้ามเนี่ยคาบคอท่านไปก็แล้วกัน นกกสาก็ยอมยอมให้ปูนี่ข้า พ, พอในที่สุดนกกราก็พาไปที่ข่าคบไม้ที่เคยกินปลากระดูเกลือนกาดนกกสาจึงบอกปูบอกว่านี่แน่ปูแกมาที่นี่เราก็จะกินแกต่อแล้วแกเห็นไหมพวกของแกนั้นกระดูเกลือนกาด ไม่ได้ใยดอกสะอโนสดาดนั้นน่ะแต่ว่าเป็นอาหารของเราหมดปูก็เลยบอกว่าแกจะกินฉันเรอนกกสาก็บอกว่าฉันกินแกแน่ปูก็จึงได้เอาครีบเอาก้ามของมันรัดค อ, อนกสาเข้าทุกทีทุกทีในที่สุด ผูก็เลยรัดขอนกาสาจงขาดใจตายในเรื่องนี้มีเทวดาที่เป็นลุกขเทวดาได้เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นลูกขเทวดาจึงได้อนโมธนาแก่ภูว่าภูยังมีปัญญาไม่ต้องตายเพราะนกสาเพราะฉะนั้น เรื่องของปัญญาถ้าหากว่านำเอาไปคดไปโกงคนอื่นมีเยอะแยะในปัจจุบันนี้เอาปัญญานี่ไปเที่ยวคดโกงคนอื่นหลอกลวงคนอื่นสารพัดแต่ในที่สุดผู้ที่หลอกลวงนั้นก็จะต้องได้รับกรรมคือกรรมที่ตนกระทาเอาไว้ อย่างใดนั้นก็จะต้องรับกรรมอย่างนั้นเหมือนกันกับนกกระสามันทำกรรมที่ต้องฆ่าปลาจำนวนมากมันก็ต้องถูกเขาฆ่าจนได้เช่นเดียวกันกับคนที่โกงทั้งหลายเมื่อโกงเข้าไปโกงเข้าไปนั้นมันก็แค่เอาไปรับประทานอิ่มเดียวตอนนั้นเอง แต่ว่าบาปกรรมนี้ได้ติดตามตัวของผู้ที่ไปขี้ช่อขี้โกงคนอื่นเขานั่นหลายร้อยหลายพันชาติทีเดียวผู้ที่ใช้สติปัญญาโกงคนอื่นมีไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับกรรมคือรับกรรมสมกันกับที่ตน ได้ก็ทำลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราจะปรับปรุงคือปรับปรุงตัวของเราเนี้ให้สามารถพัฒนาขึ้นไปได้นั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอาศัยสติปัญญาในพระพุทธศาสนาจึงจะสามารถพัฒนาตัวของเราได้ ตัวของเรานี้สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้แน่นอนเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เป็นจิตใจที่สูงเมื่อต้องการจะพัฒนาสิ่งใดแล้วมนุษย์สามารถทำได้พระเหตุในจิตใจของมนุษย์นั้น ได้สะสมสิ่งที่เรียกว่าอุปาิสัยปัจจัยหรือเรียกว่าบุญวาสนาบารมีที่เก็บไว้ในจิตใจของเรานั้นทุกคนทุกคนต่างคนต่างก็มีคือมีนิสัยปัจจัยมีบุญวาสนาบารมีที่เราได้กระทำไว้แล้วเก็บไว้ที่ใจของเราอยู่ เมื่อเราเก็บไว้ที่ใจของเราอยู่บุญเหล่านี้ก็เรียกว่าสะสมตัวขึ้นจึงสามารถที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นไปตามลำดับถ้าเราจะพิจารณากันดูระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ส่วนสัตว์เดรัจฉานนั้น มันไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวของมันเองได้เคยอยู่อย่างไรมันก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเช่อนอย่างควายมันเคยไถนามาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดมาตั้งหลายพันปีมาแล้วควายก็ไถนาอยู่ตลอดงัวลากเกวียน มันก็จะต้องลากเกวียนของมันอยู่อย่างนั้นไม่ว่าตั้งเป็นหลายพันปีมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันก็ยังต้องลากเกวียนอยู่ตามเดิมงัวควายมันไม่เคยนุ่งผ้ามันก็ไม่เคยพัฒนาตัวของมันอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นต่างกันกับมนุษย์ ที่ได้พัฒนามาจากสมัยหินแล้วก็พัฒนามาถึงเอาใบไม้มานุง่งพัฒนามาจนกระทั่งมาท อ, อเป็นผ้าเป็นฝ้ายเป็นไหมอะไรอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งเครื่องใช้ต่างๆจะเป็นกุียนเป็นอะไรเวลานี้ก็เปลี่ยนเป็นรถยนต์ จากรถยนต์เป็นเครื่องบินสารพัดที่มนุษย์จะได้พัฒนาขึ้นมานี่คือจิตใจของมนุษย์ที่เรียกว่าจิตใจสูงส่วนการพัฒนาที่เรียกว่าพัฒนาวัตถุนั้นมันก็พัฒนามาฆ่ากันพัฒนามาทำลายล้างซึ่งกันและกันย่อมไม่ได้ ประโยชน์สมควรนักสู้การพัฒนาในทางด้านจิตใจไม่ได้เราพัฒนามาจากธรรมดาธรรมดาคือบุตุชนจนกระทั่งถึงกัลยาณชนจากกัลยาณชนก็เป็นอริยชนอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์ได้พัฒนามาแล้วจากคนธรรมดานั้น ก็ได้มาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องพัฒนาจิตใจของเราเนี้ให้มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดไม่สักแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเราจะเอาแค่มีชีวิตอยู่ถึงวันตายแล้วก็แล้วกัน ถ้าคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าคิดผิดเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าตายชาติเดียวเราจะต้องต่อไปอีกหลายภพหลายชาติเมื่อเป็นเช่นนั้นวันและคืนล่วงไปวันและคืนล่วงไปนั้นจะต้องไม่ให้ล่วงไปเปล่าๆจะต้องล่วงไปด้วยการสร้างบุญกุศล สร้างความดีให้แก่ตนจะสร้างความดีด้วยการภาวนาจะสร้างความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลอันนี้ก็เป็นการสร้างที่ถูกต้องเป็นความดีที่สมควรแก่การที่เราจะต้องกระทำขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขาดไม่ได้ คือความใครันความใครันอันนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรความใครันอันนี้จะต้องเกิดขึ้นจากความเห็นผลเราทําบุญลงไปต้องเห็นผลเป็นการตอบแทนสิ่งที่ตอบแทนนั้นไม่ใช่ว่าเราลงทุนลงไปร้อยบาทขอให้ได้สักหมื่นสักแสน ให้โชคดีถูกรัตตลีทีหนึ่งอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นการทำบุญหวังผลให้เราพากันสร้างทำบุญละที่เราพากันกระทานั้นคือหมายความว่าเราก็ะทำบุญไม่ใช่หวังผลในปัจจุบันเท่านั้นเราหวังผลคือความเยือกเย็น อย่างเรานั่งสมาธิเนี่ผลที่เกิดขึ้นในใจของเรามันเกิดความเยือกเย็นเกิดความสมบายเกิดความผ่องใสเกิดความสะอาดสะอ้านขึ้นในจิตใจ น, นี้เรีย ก, กว่าดีนดําดิมดาในคุณธรรมคือบุญกุศลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะทาให้เกิดศรัทธา คือความเชื่อศรัทธาความเชื่อความเลื่อมสายอนน้ที่เกิดขึ้นมาเน้เป็นศรัทธาทท่เรามีศรัทธาเพราะเหตุเราได้ฟังธรรมเทศนาบ้างเราได้รับการแนะนำบ้างเราได้อ่านดูหนังสือบ้างอะไรเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดศรัทธา แต่ว่าส่วนนั้นก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนสาคัญที่สุดคือผลแห่งการกระทำผลแห่งการกระทำนั้นสามารถที่จะทำให้เกิดความชุ่มเย็นเกิดความสบายเกิดความสุขภายในเพราะว่าความสุขที่เกิดขึ้นภายในอันนี้เป็นความสุข เทเรียกว่าอามาตะธรรมความสุขอามาตะธรรมเป็นความสุขที่ไม่เฉพาะที่เราจะมีได้ในปัจจุบันเท่านั้นแต่ความสุกนี้เป็นความสุขที่จิรังยั่งยืนสามารถที่จะเป็นความสุขเพิ่มพูนขึ้นไปทำให้เราไปเกิดในชั้นสวรรค์ ทำให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็สบายอีกการที่เราไปเกิดในชั้นสวรรค์ น, นั้นท่านกล่าวว่าเป็นสถานที่มีความสุขสบายมีปราสาทมีราชมนเทียนมีที่อยู่อย่างสุขสบายมากเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องไปเข้าท้องมารดา ไปเกิดโตขึ้นมาเลยทีเดียวเือไม่ต้องเป็นเด็กแล้วก็ไม่ต้องแก่เกิดขึ้นมาก็เป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นสาวอยู่ตลอดไปถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นหนุ่มอยู่ตลอดไปนี่เรื่องของชั้นสวรรค์แล้วไม่ต้องมีการทำไร่ทานาทาเลือกทําสวน สมบัติต่างๆก็เกิดขึ้นมาเองเรานึกอยากได้อะไรเมื่อเรานึกก็ปรากฏขึ้นมาอย่างจะรับประทานอาหารสักมื้อหนึ่งอย่างนี้เรานึกว่าจะทานสิ่งนั้นรับประทานสิ่งนี้สิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับประทานเลยทันที แล้วอายุก็ยืนอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งห้าพันปีห้าพันปีนั้นเ้าเรียกว่าห้าพันปีทิพย์ร้อยปีในเมืองมนุษย์นี่เท่ากับวันกับคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งชีวิตนี่ยังไม่เท่าสวรรค์วันเดียวนี่คือบริเวณที่เราไปเกิดแล้วได้รับความสุข พระเหตุแห่งบุญกุศลเมื่อพุทธมารดามารดาของพระพุทธเจ้าสวรรค์นก็ได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์เหมือนกันแต่ว่าไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงเรีย ก, กว่าดุสิตอย่างนี้ในบรรดาที่สวรรค์เหล่านั้นเขาไม่มีการแข่งแย่ง หรือไม่มีการทะเลาะกันหรือไม่มีการอิจฉาพยาบาทกันต่างคนก็ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันทั้งนี้พระอะไรทั้งนี้เพราะว่าไม่ต้องไปกลัวเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีไม่มีมีแต่เศรษฐกิจดีอยู่ตลอดเวลา ต้องการอาหารได้ต้องการที่อยู่ได้ต้องการเครื่องนุ่งห่มได้สุดแล้วแต่เราจะปรารถนาอย่างไรนี่เรีย ก, กว่าชั้นสวรรค์เพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจหรือข้าวของอะไรต่างๆมันก็มีพอแล้วก็เลยไม่หมดความจำเป็นที่จะต้องไปทะเลาะกัน ไอ้การทะเลาะกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เลยทะเลาะกันพ่อบ้านทะเลาะแม่บ้านแม่บ้านทะเลาะพ่อบ้านมันก็เรื่องเดียวนี่เองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่ไม่มีที่อยู่เรื่องไม่มีอาหารเป็นประการสําคัญแต่ว่าในชั้นสวรรค์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย หากได้ไปเกิดในชั้นสวรรค์แล้วยังมีศรัทธาแล้วเรายังมีสติมีปัญญาในชั้นสวรรค์ก็ทำสมาธิได้มีจํานวนมากที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ไปสำเร็จเป็นพระอาราหันต์ในชั้นสวรรค์คือหมายความว่าไปได้รับความสบาย เมื่อได้รับความสบายแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ประสบผลสําเร็จคือได้สําเร็จเป็นพระอาราหันต์ในชั้นเทวดาเลยแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ภาวนาเราก็จะต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี่อีกต่อไปคือจะไปอยู่ในชั้นสวรรค์ตลอดไปย่อมไม่ได้เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าปัญญายะปริสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยปัญญายอย่างนี้เราท่านทั้งหลายเมื่อได้สนับรับ ล, ลดซึ่งพระธรรมเทศนาที่อัตมาได้แสดงมานี้จงพาการ น, น้อมนำไปเินิพพิจารณา เมื่อเห็นดีเห็นชอบประการใดแล้วก็จงพากันประพฤติไปตามก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินัยคำสอนของององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกที่พาราตรีการดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนนี